เป้าหมายของการฟังเทศฟังธรรมนี้อยู่ที่การได้ยินได้ฟังในเรื่องที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนหรือถ้าได้ยินได้ฟังก็อาจจะยังไม่ได้ยินได้ฟังมากพอที่จะทำให้เกิด ความเห็นที่ถูกต้องความเข้าใจที่ถูกต้องได้ไม่สามารถที่กําจัดความลังเลสงสัยได้การฟังเทศฟังธรรมจึงจำเป็นที่จะต้องฟังอยู่เรื่อยๆฟังอยู่บ่อยๆเพื่อเราจะได้ยินได้ฟังเรื่องที่เราไม่ค่อยได้ยินได้ฟังกัน ให้ได้ยินได้ฟังกันมากขึ้นไปบ่อยขึ้นไปถ้าเราได้ยินได้ฟังบ่อยขึ้นไปแล้วความเข้าใจของเรื่องที่เราไม่ค่อยได้ยินได้ฟังนี้ก็จะค่อยปรากฏขึ้นมาแล้วเราก็จะได้ความรู้แบบที่พระพุทธเจ้าได้ส่งรัารู้ เรื่องอะไรที่เราไม่ค่อยได้ยินได้ฟังกันก็เรื่องของร่างกายกับจิตใจของพวกเราเองพวกเราไม่รู้ความจริงของร่างกายกับความจริงของใจของพวกเราว่าเป็นอย่างไรมีความสัมพันธ์กันอย่างไรมาพบกันได้อย่างไร มาพบกันได้เมื่อไรเวลาใดถ้าเราศึกษาเรื่องของร่างกายและใจแล้วเราจะได้รู้จักวิธีที่จะปฏิบัติกับร่างกายปฏิบัติกับใจเมื่อเราได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องกับ เรื่องของร่างกายกับเรื่องของใจเราก็จะไม่มีความมุ่นวายใจตอนนี้เรามีความวุ่นวายใจเพราะเรามีความสับสนเราไม่รู้ว่าร่างกายกับใจนี้เป็นอย่างไรเราไม่รู้วิธีที่จะปฏิบัติให้ถูกต้อง กับร่างกายกับใจอย่างไรเราจึงต้องมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้รู้ความจริงของร่างกายและของใจร่างกายและใจนี้มาพบกันเหมือนสามีภรรยาพบกันก็ตอนที่มีการ ผสมผันของร่างกายคือเชื้อของพ่อกับเชื้อของแม่ได้มารวมตัวกันก่อตั้งเป็นตัวร่างกายขึ้นมาแล้วก็มีใจที่ไม่มีร่างกายมา มาร่วมประชุมด้วยมาร่วมเป็นส่วนของการก่อตั้งร่างกายก่อตั้งชีวิตใหม่ขึ้นมาถ้ามีส่วนของพ่อส่วนของแม่และใจที่ตายมาจากชาติก่อนใจที่สูญเสียร่างกายอันเก่าไป และได้ไปใช้เวรใช้กรรมหรือรับผลบุญในภพต่างๆพอถึงเวลาที่จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมาหาผู้ที่กำลังจะก่อสร้างร่างกายมนุษย์ร่างใหม่ขึ้นมา ก็คือช่วงที่มีกา ร, ระสมพันธุ์ของสามีและภรรยาของหญิงและชายพอมีกา ร, ระสมพันธุ์มีเชื้อของสามีเชื้อของภรรยามารวมตัวกันแล้วมีใจที่กำลังหาร่างกายผ่านมาพบเข้าก็จะได้มีการ ปฏิสนธิขึ้นมาคือมีการตั้งขันมีการเจริญติอโ ต, อตอของร่างกายขึ้นมาร่างกายที่มีอาการ32และมีใจมาครอบครองเป็นสมบัติร่างกายนี้ก็จะ เติบโตตามลำดับด้วยการารับอาหารผ่านทางสายเลือดของมารดาอาหารทางสายเลือดนี้ก็ประกอบด้วยธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟที่เข้าไปในร่างกายของมารดาโดย ในรูปแบบของอาหารในรูปของน้ํำดืม่มในรูปแบบของนมหายใจเข้าออกนี่คือการก่อร่างสร้างตัวสก่อร่างกายขึ้นมาให้ปรากฏมีอาการ32มสองก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาด้วยอาหาร อาหารที่มาจากาธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟดังนั้นร่างกายนี้จึงไม่ใช่เป็นอะไรเลยนอกจากเป็นาธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟที่มาผสมกันรวมกันแล้วก็แปลงสภาพไปเป็นอาการสามสิบสองเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟัน เป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกเป็นเยื่อในกระดูกเป็นม้ามเป็นหัวใจเป็นตับเป็นพังผืนเป็นไตเป็นปอดเป็นไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรษะและเป็นน้ำคือน้ำดีน้ำทะเลน้าเหลืองน้ำเลือดน้ำเงือน้ำมันข้นน้าตา น้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อเป็นต้นนี่คือส่วนประกอบของร่างกายส่วนใจนี้ก็เป็นผู้รู้สึกนึกคิดใจนี้ก็มีอาการสี่ประการมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาก็คือความรู้สึก สุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์สัญญาก็คือการจำได้หมายรู้สังขารก็คือความคิดปรุงแต่งสัญญาคือการรับรูปรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสผลตภพพะที่มาสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายนี่คือการองค์ประกอบของชีวิตของมนุษย์เรา ประกอบขึ้นด้วยร่างกายและใจองค์ประกอบทั้งสองส่วนนี้มีความแตกต่างกันคือร่างกายนี้เป็นส่วนประกอบที่ไม่ถาวรเป็นส่วนที่มีอายุไขคือพอเกิดออกมา อคลอดออกมาแล้วก็จะมีการเจริญเติบโตเพราะได้รับการเติมทาตอยู่อย่างต่อเนื่องได้รับการรับประทานอาหารอย่างต่อเนื่องดื่มน้ำอย่างต่อเนื่องหายใจเข้าออกอย่างต่อเนื่องจึงทำให้ร่างกายเจริญเติบโตขึ้นไปตามลำดับจาก ทารกขึ้นมาเป็นเด็กเล็กเด็กน้อยจากเด็กเล็กเด็กน้อยก็เป็นเด็กโตจากเด็กโตก็เป็นผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่ก็เป็นผู้ชราแล้วในที่สุดก็จะกลายเป็นซากศพไปนี่คือสถานภาพหรือลักษณะของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามจะต้องเป็นอย่างนี้ด้วยกันทุกร่างกายส่วนใจที่มาร่วมอยู่กับร่างกายซึ่งเปียบเป็นเหมือนสามีหรือเป็นนายร่างกายนี้เปียบเหมือนกับภรรยาหรือบ่าว ดังที่มีคำพูดว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเพราะว่าร่างกายเป็นผู้รับคำสั่งจากใจใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายพูดสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆถ้าร่างกายไม่มีใจร่างกายจะไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เช่นร่างกายของคนตายไปแล้วนี้ ไม่มีใจอยู่คอยให้คำสั่งให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้มีแต่จะร่างกายที่ไม่มีใจคอยสั่งคือร่างกายของคนตายก็มีแต่จะเสื่อมสลายไปถ้าทั้งสี่ที่มารวมกันจะแตกสามัคคีกันจะแยกทางกัน ธาตุน้ำก็จะไหลออกมาจากร่างกายธาตุลมก็จะระเหยออกมาจากร่างกายธาตุไฟก็จะสลายออกจากร่างกายเหลื อ, อไว้แต่ธาตุดินที่เป็นส่วนแข็งของร่างกายเช่นเนื้อหนังเอนกระดูกอวัยวะต่างๆที่แห้งกรอบแล้วก็เปื่อยผุไปในที่สุด กายเป็นดินไปในที่สุดนี่คือธรรมชาติของร่างกายส่วนธรรมชาติของใจนี้ไม่เหมือนกับร่างกายคือไม่ได้เจริญติบโตเหมือนกับร่างกายเจริญติบโตและไม่ได้เสื่อมเหมือนกับร่างกายเสือ่อมใจนี้เป็นนามธรรมไม่ได้เป็นรูปธรรมเหมือนร่างกาย ร่างกายนี้เป็นรู ป, ปรธรรมประกอบขึ้นด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแต่ใจนี้เป็นธาตุรู้ไม่ได้มีองค์ประกอบอื่นเมื่อไม่มีองค์ประกอบจึงไม่มีการแยกสลายขององค์ประกอบเคยเป็นธาตุรู้อย่างไรก็เป็นธาตุรู้อย่างนั้นมีสัญญามีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอาการ ของธาตุรู้นี้ธาตุรู้นี้สามารถที่จะอยู่ได้โดยที่มีร่างกายหรือไม่มีร่างกายถ้าไม่มีร่างกายเราก็เรียกธาตุรู้นี้ว่ากายทิพย์กายทิพย์ก็มีหลายลักษณะขึ้นอยู่กับบุญกับบาป ที่กายทิพนี้ได้สร้างไว้ถ้ากายทิพนี้สร้างบาปสร้างกรรมก็จะได้กายทิพที่เป็นส่วนส่วนส่วนไม่ดีคือมีเป็นกายทิพที่มีแต่ความทุกข์เช่นเปรตนี้ก็เป็นกายทิพที่มีแต่ความทุกข์ที่เกิดจากความหิวอสุรกายนี้ก็เป็นกายทิพ ที่เกิดจากที่มีความทุกข์ที่เกิดจากความกลัวส่วนสัตว์นรกนี้ก็เป็นกายทิพย์ที่มีความทุกข์ที่เกิดจากความอาฆาตพยาบาทโกรธเกลียดสาเหตุที่กายทิพย์เหล่านี้เป็นดังที่ต น, เ ป, นเป็นอยู่อย่างนั้นก็เพราะความหลงหลงไปคิดว่า ถ้ามีสมบัติเข้าของเงินทองมีอะไรต่างๆมากมายจะมีความสุขมากก็เลยพยายามตักตวงกอบโกยสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆไว้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้โดยไม่คำนึงถึงเรื่องของบาปของบุญทำเอาจะพยายามกอบโกยให้ได้ทุกวิถีทาง ถ้าได้มาโดยไม่ทําบาปก็เอาถ้าได้มาโดยวิธีทําต้องทําบาปก็เอาพอได้มาโดยวิธีทําบาปกายทิพย์นี้ก็เลยสะสมความทุกข์ความร้อนที่เกิดจากการทําบาปควบคู่กับกับความหิวความอยากเราจึงเรียกกายทิพย์ชนิดนี้ว่าเป็นเปรตส่วนกายทิพย์ที่ มีแต่ความรุ่มร้อนใจเนื่องจากความกลัวนี่ก็เกิดจากความหลงว่าตัวว่ากลัวว่าตนเองจะทุกข์ถ้าไม่มีสิ่งนั้นหรือไม่มีสิ่งนี้หรือกลัวว่าตนเองจะต้องถูกคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาทำลายตนก็เลยต้องทำบาปด้วยการฆ่าผู้อื่นทำลายสิ่งอื่นเพื่อป้องกันไม่ให้เขามา ฆ่าตนมาทำลายตนเมื่อได้ทำบาปด้วยความกลัวก็จะเป็นอสุรกายมีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาที่เกิดจากความหวาดกลัวต่างๆส่วนผู้ที่ทำบาปด้วยอาฆาตด้วยอาการอาฆาตพยาบาทเช่นใครมาทำอะไรให้ไม่ถูกอกถูกใจไม่พอใจอก็จะ โกรธแค้นโกรธเคืองถ้ามีอำนาจบาปใหญ่ทำร้ายเขาได้ฆ่าเขาได้ก็จะทาเพื่อที่จะดับความโกรธความเกลียดที่กาลังเผาอยู่ในใจแต่การทำบาปเพื่อจะดับความโกรธแค่ น, นี้มันไม่ได้ไปดับความร้อนที่เกิดจากการโกรธเกลียดหรือความร้อนที่เกิดจากการกระทำบาป แต่กลับจะทำให้ความร้อนนี่มีเพิ่มมากขึ้นกายทิพย์เหล่านี้ยังเรียกว่ากายนรกกายทิพย์นรกนี่คืออนิสงส์ที่เกิดจากการทำบาปของใจในขณะที่มีชีวิตมีร่างกายของมนุษย์หรือร่างกายของเดรัจฉานถ้าทำบาปด้วยความ โกรเกียดก็จะเป็นนรกทำบาปด้วยความกลัวก็จะเป็นอสูรกายทําบาปด้วยความโลภความอยากได้มากๆก็จะเป็นเปรตนี่คือกายทิพย์ที่ไปทําบาปจะมีลักษณะอย่างนี้ส่วนกายทิพย์ที่ทําบุญทําประโยชน์ทําคุณประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นแบ่งปัน ทรัพ ส, สมบัติเข้าของเงินทองแบ่งปันประโยชน์สุขให้แก่ผู้อื่นกายทิพย์เหล่านี้ก็จะมีแต่ความสุขพวกนี้ก็จะมีความสุขสำราญกับการได้เสพรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์พวกนี้เราเรียกว่าเทวดาพวกที่อยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆส่วนกายทิพย์ที่ ได้มีโอกาสฝึกฝนอบรมทำสมาธิทำจิตใจให้สงบกายทิพย์ล่า น, นี้ก็จะได้เป็นพรมขั้นต่างๆกายทิพย์แ น, นี้ไม่ต้องมีร่างกายเขาก็สามารถที่จะมีความสุขได้เช่นกายทิพย์ของผู้ที่ ขณะที่เป็นมนุษย์ก็ได้ทําบุญทําทานทําความดีไม่ได้ทําบาปใจหรือกายทิพย์นี้ก็ได้เป็นเทพขั้นต่างๆแล้วตั้งแต่ที่ยังมีร่างกายอยู่แล้วพอร่างกายนี้ตายไปก็ไม่ได้มาเปลี่ยนแปลงสถานภาพของกายทิพย์ที่เป็นเทพขั้นต่างๆนี้อยู่สิ่งที่จะเปลี่ยนสถานภาพของกายทิพย์ ขั้นต่างๆนี้ก็อยู่ที่การเสื่อมของบุญที่ได้ทำเอาไว้กายทิพย์นี้ก็จะเหมือนกับรถยนต์ที่เราเติมน้ำมันพอเติมน้ำมันเต็มถังเราก็ขับรถไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆได้แต่เราขับไปเรื่อยๆน้ำมันที่เติมอยู่ในถังก็จะพ่องลงไปลดลงไป แล้วในที่สุดก็จะหมดถึงเวลานั้นก็ต้องกลับไปแวะจอดที่สถานีเติมน้ำมันใหม่กายทลิปนี้ก็เป็นเช่นนั้นขณะที่เป็นมนุษย์ก็เหมือนกับแวะอยู่ที่สถานีบริการเติมน้ำมันเริ่มบุญทำความดีรักษาศีลทำทานแล้วพอร่างกายนี้ตายไปก็ ออกไปท่องเที่ยวตามตามโลกทิพย์ตามสวรรค์ชั้นต่างๆพอบุญที่ได้ทำไว้นี้หมดไปก็กลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาได้ร่างกายของมนุษย์แล้วก็มาทำบุญใหม่มาเติมน้ำมันใหม่ส่วนพวกพรหมก็เช่นเดียวกัน พวกพรอมนี้หลังจากที่ได้ฝึกสมาธิใ น, นขณะที่เป็นมนุษย์พอร่างกายนี้ตายไปก็จะไปเป็นพรอมไปเป็นพรอมจนกว่ากําลังของสมาธินี้หมดไปพอหมดไปแล้วก็กลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาทําบุญใหม่มาฝึกหัดทำสมาธิใหม่นี่คือกายที่ของผู้ที่ ไม่มีโอกาสที่ได้พบกับพระพุทธศาสนาจะทำได้เพียงเท่านี้ทําบุญได้เพียงขั้นระดับสมาธิบุญที่เหนือกว่าขั้นของสมาธิคือบุญระดับขั้นมรรคผลนิพานนี้จะต้องมาพบกับพระพุทธศาสนาถึงจะได้รับความรู้ที่จะยกระดับ กายทริปนี้ให้สูงขึ้นไปกว่าระดับชั้นพรมและเป็นสวรรค์ที่จะไม่มีวันเสื่อมหรือถ้าจะเสื่อมก็เสื่อมเพื่อที่จะกลับขึ้นไปจนถึงขีดที่ไม่เสื่อมเช่นพอได้พบกับพระพุทธศาสนาได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้ศึกษา สอนให้มองเห็นความจริงของสภาวธรรมทั้งหลายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือไม่อยู่ในการควบคุมบังคับของเราถ้าเห็นแล้วสามารถที่จะปล่อยวางละความอยากที่จะให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เที่ยงสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นของเราไปตลาดได้จิตของกายทิพย์นั้นก็จะได้ ได้บรรลุมรรคผลขั้นที่หนึ่งที่เรียกว่าขั้นพระโสดาบันถ้าได้ขั้นพระโสดาบันนี้ถ้ายัางไม่สามารถที่จะปฏิบัติให้ขึ้นสูงไปกว่าขั้นโสดาบันได้แล้วต้องเสียชีวิตไปก่อนร่างกายหมดสภาพไปก่อนกายทิพนี้ก็ยังจะต้องมีโอกาสที่จะได้ปฏิบัติทำ ให้สูงกว่านี้ได้อีกเจ็ดชาติเป็นอย่างมากคกอจะกลับมาได้ร่างกายของมนุษย์เพื่อมาปฏิบัติธรรมอีกเพื่อที่จะได้ขึ้นสู่ขั้นที่สองขั้นที่สามและขั้นที่สี่ต่อไปถ้าได้ขั้นที่สองคือขั้นพระสกิดาคามีก็จะทำให้การกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี้เหลือเพียงครั้งเดียว กลัมาเกิดอีกครั้งก็สามารถที่จะปฏิบัติให้ขึ้นถึงขั้นที่สมและขั้นที่4ได้ตามลําดับถ้าได้ขึ้นถึงขั้นที่สานี้ก็อยู่ก็จะเป็นกายที่ประดับพรหมถ้าร่างกายตายไปก่อนที่จะได้ขั้นที่4ก่อนที่จะได้เป็นพระอารหันต์ก็จะได้ไปเป็นพระอนาคามีอยู่บนสวรรค์ชั้นพรมหม5ชั้นด้วยกัน แล้วก็จะสามารถยกระดับของกายทิพย์ของตนนั้นให้ขึ้นสู่ระดับที่สี่คือระดับของพระอรหันต์ได้พอได้ขึ้นถึงระดับขั้นที่สี่แล้วก็จะยุติการกลับมาหาร่างกายกลับมาเกิดแก่เจ็บตายได้เพราะเชื้อหรือเหตุที่จะทาใหา้ร่าง ร่างกายทิพนี้ไปหาร่างกายหยาบมาเป็นเครื่องมือนั้นถูกทำลายไปหมดแล้วนั่นก็คือตันหาทั้งสามคือกามะตันหาภาวตันหาและวิภาวะตันหาพอไม่มีตันหาทั้งสามอยู่ภายในกายทิพย์แล้วกายทิพย์นั้นก็ไม่มีความหิวไม่มีความต้องการอะไรไม่หิวกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ ไม่หิวกับการเป็นใหญ่เป็นโตไม่หิวกับการาไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายไม่กลัวความเสื่อมความทุกข์ความอะไรทั้งนั้นเพราะกายทิดนี้ไม่ได้ไปทุกข์กับสิ่งต่างๆมันเองไม่ได้ไปหลงยึดติดกับสิ่งต่างๆว่าเป็นตัวเราของเรา ตอนนี้ฝนเริ่มตกก็เดี๋ยวให้ญาติโยมขยับขยายพืย้นที่นี่คือปัญหาเวลามีกายหยาบมีร่างกายหยาบพอเจอฝนฟ้าเข้าก็ต้องขยับขยาย ถ้าเป็นเทวดาเป็นร่างทิพย์ก็ไม่ต้องขยับขยายผลฟ้าไม่สามารถที่จะไปแตกต้องกายทิพย์ได้ไแต่ได้แต่กายหยาบคือกายที่ทำมาจากนินน้ำลมไฟนี้เท่านั้นนี่เข้ามาข้างในเนี่ยว่างๆนี่คือธรรมชาติ หรือสถานภาพของกายทิ่ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุคือการกระทาที่เรียกว่ากรรมคือกายกรรมวจีกรรมและมโนกรร ม, มเป็นได้ไปทางต่ำก็ได้ไปทางสูงก็ได้ถ้าได้พบกับพระพุทธศาสนา ก็จะมีผู้นำทางให้ไปทางสูงให้ไปถึงขั้นสูงสุดของผู้ที่นำทางก็คือพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกที่ส่งค้นพบทางที่สูงสุดของกายทิพนี้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ากายทิพจะไปได้สูงสุดแค่ขั้นระดับพมเท่านั้น และก็เป็นระดับที่จะต้องเสื่อมกลับมาเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็จะขึ้นลงขึ้นลงระวางมนุษย์กับพรหมนี้ไปถ้าสามารถาปฏิบัติสมาธิได้ทุกภพทุกชาติที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าพบไหนชาติไหนไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้กลับไปทำบาปก็อาจจะต้องกลับไปเป็นกายทิพย์ในส่วนต่ำส่วนที่ไม่ดี หรือไปเป็นกายที่ที่อาจจะต้องมีร่างของเดรัจฉานหรือเป็นกายที่ที่มีความรุ่มร้อนด้วยความหิวโหวยหรือรุ่มร้อนด้วยความกลัวหรือรุ่มร้อนด้วยความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทนี่คือเรื่องของใจที่ไม่เหมือนเรื่องของร่างกาย เรื่องของร่างกายก็ได้ที่อย่างที่ได้พูดไว้เป็นการรวมตัวของธาตุสี่ในรูปแบบของอาการสามสบสองที่มีการเจริญและมีการเสื่อมหมดไปร่างกายทุกร่างเป็นเหมือนกันหมดส่วนสถานภาพที่ได้รับในขณะที่ได้มาเกิดในใน ฐานะของมนุษย์น well, ี bases, ้ก so um ็เป็นไปตามสมมติของบิดามารดาถ้าเกิดเป็นลูกขอทานก็เป็นก็เป็นขอทานไปถ้าเกิดเป็นลูกของเศรษฐีก็เป็นเศรษฐีไปถ้าเกิดเป็นลูกของกษัตริย์ก็เป็นกษัตริย์ไปอันนี้ก็เป็นไปตามสมมุติเป็นไปตามสถานภาพของบิดามารดา แต่ความจริงก็ยังเหมือนกันทุกร่างกายก็คือมีอาการสาสสองเหมือนกันท ร, ร ม, มาจากยินน้ำลมไฟเหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันนี่คือธรรมชาติหรือเรื่องของร่างกายและธรรมชาติหรือเรื่องของใจ ท, ที่ได้มาอยู่ร่วมกัน ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนามาสั่งสอนความจริงของร่างกายและใจก็จะเข้าใจว่าทุกอย่างนี้มีเพียงร่างกายเท่านั้นคือร่างส่วนใจนี้เป็นเหมือนกับส่วนประกอบของร่างกายเวลาร่างกายตายไปแล้วใจก็หมดสภาพไปตามตามร่างกายไปนี่คือความเข้าใจของมนุษย์ส่วนใหญ่ มนุษย์ที่ไม่ได้ศึกษาได้ยินได้ฟังจากคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายที่เขาเรียนรู้เขาก็จะเรียนรู้แต่เรื่องของร่างกายแล้วเขาก็จะสรุปว่าความรู้สึกนึกคิดต่างๆนี้ก็เป็นส่วนที่อยู่ในร่างกายเช่นอยู่ในสมองคิดว่าความคิดนี้อยู่ในสมอง พอสมองนี้เสียไปความคิดก็หายไปแต่ความจริงแล้วไม่หายเพราะความคิดไม่ได้อยู่ที่สมองไม่ได้อยู่ที่ร่างกายความคิดอยู่ที่กายทิพย์อยู่ที่ใจที่ไม่มีวันหายไม่มีวันตายคิดอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าร่างกายจะเป็นปกติหรือไม่ปกติ จะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่เจ็บไข้ได้ป่วยจะหลับหรือจะตื่นกายทิพนี้คิดได้ตลอดเวลาเวลาที่ร่างกายหลับแล้วฝันไปนี้ผู้ที่ฝันก็ไม่ใช่ร่างกายผู้ที่ฝันก็คือกายทิพดีๆนี้ผู้ที่ยังไม่หลับไปกับร่างกายร่างกายหลับแต่กายทิพยังคิดอยู่คิดเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาก็เลย กายเป็นความฝันขึ้นมาในความรู้สึกเวลาหลับก็ฝันถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ความจริงก็เป็นเรื่องของความคิดของกายทิพย์นี้เองแต่เป็นความคิดที่ละเอียดหรือว่าความคิดที่เบากว่าความคิดที่ที่คิดในเวลาที่ตื่นพอเวลาตื่นขึ้ น, นมาพอมารับรู้เรื่องราวผ่านทางร่างกาย เรื่องราวที่ได้รับรู้ผ่านทางกายที่ก็จะถูกกลบไปเราจึงมักจะลืมความฝันอย่างรวดเร็วเตินขึ้นมาเพียงไม่กี่วินาทีก็ลืมไปแล้วว่าเมื่อกี้ฝันเรื่องอะไรเพราะต้องมาคิดกับมาคิดมารับรู้กับเรื่องผ่านทางร่างกายพอลืมตาก็เริ่มมารับรู้เรื่องเ ว, เวลาว่าตอนนี้กี่โมงกี่ยามอยู่ที่ไหน วันนี้เป็นวันอะไรจะต้องไปทําอะไรกายทิพย์ก็จะคิดกับผ่านทางเรื่องราวของทางร่างกายเรื่องราวที่กายทิพย์คิดโดยที่ไม่ได้ผ่านทางร่างกายในขณะที่ร่างกายาพักผ่อนก็จะถูกกลบไปหายไปนี่คือหลักของร่างกายและใจที่เราควรที่จะทําความเข้าใจให้ถูกต้อง เพื่อที่เราจะได้รู้จักวิธีปฏิบัติที่จะทำให้เรามีความสุขความสุขนี้ก็อยู่ที่ใจนี้เองไม่ได้อยู่ที่ร่างกายเป็นหลักความสุขทางร่างกายนี้เป็นส่วนย่อยส่วนเล็กน้อยส่วนความสุขส่วนใหญ่หรือความทุกข์ส่วนใหญ่นี้อยู่ที่ใจอยู่ที่การคิดของใจนี้เอง ว่าคิดไปในทางไหนคิดไปในทางหนึ่งก็ทำให้เกิดความสุขขึ้นมาคิดไปทางหนึ่งก็จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงตัดสู้ความจริงอันนี้ทรงรู้ว่าเวลาที่ใจคิดไปในทางความอยากก็จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเวลาคิดไปในทางไม่อยากก็จะทำให้ใจสงบ ทำให้ใจมีความสุขขึ้นมานี่แหละคือหัวใจสำคัญของการศึกษาของการปฏิบัติก็คือให้รู้ว่าความสุขและความทุกข์ที่สำคัญที่ที่ใหญ่ที่ที่มีน้ำหนักมากที่สุดนี้อยู่ที่ใจเกิดจากความคิดของใจนี้เอง ถ้าคิดไปในทางความอยากแล้วจะต้องผลิตความทุกข์ขึ้นมา ท, าทันทีถ้าคิดไปในทางไม่อยากก็จะทำให้เกิดความสงบเกอดความสุขขึ้นมาทันทีเช่นคิดว่าอยากจะดื่มสุราใจก็จะร้อนหงุดหงิดขึ้นมา ท, าทันทีถ้าเปลี่ยนใจได้ว่าไม่ดื่มก็ได้วันนี้สมมติว่าวันนี้เป็นวันพระไม่ดื่มตัดสินใจไม่อยากจะดื่ม พอหยุดความอยากดื่มได้ความหมงุดหงิดความทุกข์ที่เกิดจากความอยากดื่มสุราก็จะหายไปคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงมุ่งไปที่ให้คิดไปในทางไม่อยากการทำทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีการภาวนาก็ดีนี้ก็มีเป้าหมายอยู่ที่การาหยุดความอยากต่างๆ ให้มันหมดไปจากใจนี่เองเพราะถ้าไม่มีความอยากอยู่ในใจแล้วก็จะมีแต่ความสุขตลอดเวลาแต่ความหลงของมนุษย์และของสัตว์โลกทั้งหลายนี้ไม่รู้ความจริงอันนี้กลับหลงไปคิดว่าต้องมีความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากถึงจะได้มีความสุขเช่นอยากจะ มีความสุขก็ต้องมีสามีมีภรรยาอยากจะมีความสุขก็ต้องไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆอันนี้เป็นความหลงความสุขที่ได้จากการมีสามีหรือภรรยานี้เป็นเพียงส่วนย่อยแต่ความทุกข์ที่ตามมานี้มันเป็นส่วนใหญ่ที่มองไม่เห็นกันความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวนี้เป็นส่วนย่อย ไม่เห็นความทุกข์ที่ตามมาจากการที่ไม่ได้ไปเที่ยวอันนี้มองไม่เห็นกันนี่แหละหรือความความทุกข์ที่เกิดจากความอยากขึ้นมาได้นะตรงนี้ขึ้นมามีขึ้นมาได้ก็ามานั่งได้มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่เห็นสัจธรรมความจริงของใจเราของความสุขและความความทุกข ที่มีน้ำหนักสะเทือนกับเรามากที่สุดก็คือความสุขความทุกข์ทางใจนี้เองจึงทรงสอนให้พวกเราหยุดยุดติการหาความสุขทางร่างกายเพราะเป็นความสุขส่วนย่อยแล้วก็เป็นความทุกข์ส่วนใหญ่ทางใจเพราะเวลาอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมานั่นเองนี่แหละคือ หลักการสำคัญของคำสอนของพระพุทธเจ้าคือเราต้องเข้าใจว่าร่างกายนี้เป็นส่วนที่ไม่สำคัญเป็นส่วนที่จะต้องสูญต้องหมดไปแต่ส่วนที่สำคัญนี้คือใจไม่มีวันหมดดังนั้นเราต้องยุติการแสวงหาความสุขผ่านทางร่างกายยุติการหาร่างกายมาเป็นเครื่องมือ เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมีความทุกข์จากการแสวงหาจากความอยากต่างๆแล้วเมื่อเราไม่ต้องแสวงหาไม่มีความอยากต่างๆเราก็จะได้มีแต่ความสุขตลอดเวลานี่แหละคือเป้าหมายของการปฏิบัตินี้สอนให้พวกเราสละทุกอย่างปล่อยวางทุกอย่างสละทรัพย์สละอวัยวะ สละอวัยวะก็คือสละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้นะสละตาหูจมูกลิ้นกายอย่าไปใช้มันอย่าไปใช้มันเป็นเครื่องมือหาความสุขสละทรัพย์ก็คืออย่าไปใช้มันเป็นเครื่องมือหาความสุขไม่ต้องใช้ทรัพย์ก็มีความสุขได้พระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายไม่มีทรัพย์แต่มีความสุขมากกว่าพวกเราที่มีทรัพย์ เราต้องเลิกหาความสุขจากการใช้ทรัพย์เลิกหาความสุขจากการใช้ตาหูจมู ก, ลกเล่นกายเลิกหาเลอกหาร่างกายมาเป็นเครื่องมือของการหาความสุขเลิกรักษาร่างกายไม่ต้องไปรักษาไปหวงไปหวงมันถึงเวลามันจะตายให้มันตายไปาอนทาอย่างไรเราก็ห้ามมันไม่ได้รักษาไม่ ไ, มได้ ความพยายามที่จะรักษามันนี่แหละที่จะทำให้เราต้องทุกข์ใจวุ่นวายใจไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้สละทรัพย์สละอวัยวะสละชีวิตเพื่อรักษาใจเพียงตัวเดียวรักษาใจก็คือรักษาให้ใจไม่ให้มีความอยากกับกับทรัพย์กับอวัยวะกับชีวิตนี่เองปล่อยให้ปล่อยให้หมด ซับจะศูนไปไ ป, ลไ ป, ปล่อยให้มันไปอวัยวะจะเสื่อมไปปล่อยให้มันเสื่อมไปถ้ารักษาไม่ได้ไม่ได้ห้ามไม่ให้รักษารักษาได้ก็รักษาไปทรัพย์รักษาได้ก็รักษาไปไม่ห้ามแต่ถ้ารักษาไม่ได้ก็อย่าไปหอย่าไปรักษามันมันจะทุกข์ไปเปล่าๆชีวิตก็เหมือนกันรักษาไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันไปไม่ช้าก็เร็วเราต้องเสียเงินทั้งหมดทั้งทซั์ทั้งอวัยวะทั้งชีวิต ถ้าเราไม่ไปหวงไปห่วงไปยึดไปติดไปต่อสู้เราจะไม่ทุกข์กับการเสื่อมกับการสูญเสียของสิ่งต่างๆไปนี่คือวิธีรักษาใจใจของเรานี้จะมีแต่ความสุขตลอดเวลาไม่ว่าจะมีทรัพย์หรือไม่มีทรัพย์จะมีอวัยวะหรือไม่มีอวัยวะจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตไม่สาคัญเลย สำหรับผู้ที่เข้าใจความจริงแล้วว่าอะไรเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดของชีวิตก็คือใจของเรานี่เองเป็นของที่มีคุณค่ามากที่สุดเป็นสิ่งที่จะให้ความสุขเราได้มากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ถ้าเราปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราไม่ปล่อยเราก็จะไม่ได้ความสุขทางใจเราจะได้ความสุขความทุกข์ทางใจ ได้ความสุขทางทรัพย์ทางอวัยวะทางชีวิตแต่เป็นความสุขชั่วคราวในที่สุดก็ต้องหมดไปอยู่ดีพอหมดก็ต้องกลับมาหาทรัพย์ใหม่มาหาร่างกายใหม่มาหาอวัยวะใหม่มาเกิดใหม่พอมาเกิดใหม่ก็ต้องมาทุกข์ใหม่มาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายทุกข์กับการสูญเสียทุกข์กับการพา ก, กจากกันใหม่นี่คือ การเวียนว่ายตายเกิดที่พวกเราทํากันอยู่ซ้ําแล้วซ้ําอีกอยู่เพราะเราไม่รู้ความจริงว่าความสุขที่แท้จริงนี้อยู่ในใจเราต้องรักษาใจรักษาความสุขใจเพียงอย่างเดียววิธีที่จะรักษาความสุขใจก็คือต้องไม่หาความสุขจากทางร่างกายไม่หาความสุขทางตาหูจมูกม้นกายไม่หาความสุขทาง ทรัพย์สินสมบัติเข้าของเงินทองถ้าเราเข้าใจหลักนี้แล้วเราจะได้ไม่สะทกสะทานไม่เสียดงเสียดายกับการสูญเสียทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่เสียดายกับการสูญเสียอวัยวะไม่เสียดายกับการสูญเสียชีวิตเพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้เสียอะไรที่มีคุณค่าไปเลยแต่เรากลับจะได้สิ่งที่มีคุณค่ากลับคืนมา คือได้ใจที่สงบกับคืนมาได้ความสุขที่เป็นปรมังสุขขังกับคืนมาอันนี้แหละคือสิ่งที่เราจะได้จากการทำทานจากการรักษาศีลจากการภาวนาเพราะการทำทานรักษาศีลภาวนานี้เราจำเป็นจะต้องสละทัพย์สละอวัยวะสละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายและ ถึงกับต้องสละชีวิตถ้าเราอยากจะได้ใจคืนมาเป็นสมบัติของเราดัางนั้นขอพวกเราจงเอาความจริงอันนี้เข้ามาฝังอยู่ในใจคิดอยู่บ่อยๆว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวความสุขความทุกข์ทางร่างกายไม่สำคัญไม่มีมันใจก็อยู่ได้และจะมีความสุขมากกว่าเสียด้วยซ้าไปดัั อย่าไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่าไปหาความสุขจากการใช้ทรัพย์สมบัติเท่าของเงินทองอย่าไปหาความสุขจากการรักษาชีวิตมีไว้ปล่อยมันไปให้หมดด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาแล้วชีวิตของเราจะมีแต่ความสุขโดยถ่ายเดียวไปตลอดอนันตการ ข้อใจของเรานี้ไม่มีวันตายไม่มีวันหมดไม่เหมือนกับร่างกายนี้ดังนั้นคิดว่าการแสดงก็พอสมควรกับเวลาเนื่องจากฝนก็เริ่มส่งเสียงดังมากขึ้นไปเรื่อยๆก็ขอให้เรามานั่งสมาธิกันต่ออีกสักระยะหนึ่งเพราะตอนนี้จะไปไหนก็ไปไม่ได้นอกจากท่านที่มีร่มอยากจะไปก็ ไปได้จะให้พรก่อนก็แล้วกันเผือผู้ที่อยากจะไปบ้านหรือไปทุระที่ไหนมีรวมจะไปก็ไปส่วนผู้ที่อยู่เดี๋ยวเราจะมานั่งสมาธิกันต่อจนกว่าฝนจะหยุดอยะถาวาเรวาหาปุราปาริรกุเรนติชาคารัง เอวเมวะอิโตหินาเปตานังอุปากปรติอิจิตังปจิตังตุมหังคิดฝ้เมวะสนิจจตุสัพเพทุเรนตุสังกปาจันทโตปนะทะโสยะถามณีโชติอาวะโสยะถาสัพพิติโยวิวัาชันตุ สัพโรคโคลินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีชีขายุโกภวะอภิวัฒนศีลิกษะนิจังุทธาปะจา ย, ยนโนจัตารโรธรมมวะฏามติอายุวันโอสุขังทาลา ตอนนี้ผลหยุดแล้วจะจะสนทนาธรรมต่อปัญหาทำรงกันต่อเลยใครที่ยังไม่ได้ถวายข้าวของไม่ได้รับหนังสือซีดีก็ขอเชิญทำตามที่ต้องการได้ถ้า อยากจะถามอะไรที <sm convert to life> ่ยังไม่เข้าใจก็ถามได้ชีวิตของเรานี่มีเป้าหมายอยู่ตรงที่ให้เรามาเข้าใจรู้จักใจของเราให้ได้ให้รู้ว่าใจของเราเนี่ยเป็นสมบัติของเราอย่างแท้จริงและเป็นสมบัติชิ้นเดียวเท่านั้นที่เป็นของเรา นอก น, นั้นเราไม่มีอะไรเป็นของเราของทุกอย่างที่เราได้มานอกจากใจนี้เราจะต้องเสียไปหมดแต่มีใจเพียงตัวเดียวที่จะอยู่กับเราที่จะอยู่กับเราแบบสุขหรือแบบทุกข์ก็อยู่ที่ว่าเราหลงหรือไม่หลงถ้าเราหลงเราก็จะไปสร้างความทุกข์ให้กับใจด้วยการอยากได้สิ่งต่างๆแล้วพอเราเสียสิ่งต่างๆไปเราก็จะเสียใจทุกใจ ถ้าเราจะไม่อยากจะมีความทุกข์ใจอยากจะมีแต่ความสุขใจเราก็ต้องไม่อยากได้อะไรการที่เราจะไม่อยากได้อะไรได้เราก็ต้องหยุดความอยากให้ได้การจะหยุดความอยากได้ก็ต้องปฏิบัติทำอย่างที่เมื่อกี้เรานั่งสมาธิทำ ก, ก็เป็นการหยุดความอยากแต่เราหยุดได้เพียงครึ่งชั่วโมงเท่านั้นอีกยี่สิบสามชั่วโมงครึ่งเราก็อยากต่อ เราต้องหยุดมันตลอด24ชั่วโมงปฏิบัติมันออกจากสมาธิมาก็ใช้ปัญญาหยุดหยุดความอยากสอนว่าสิ่งที่อยากได้เป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขได้มาแล้วเดี๋ยวก็เสียไปแล้วความสุขที่ได้จากสิ่งที่ได้มาก็เดี๋ยวเดียวได้อะไรมาก็ดีใจเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวก็อยากจะได้ของใหม่มาซื้อรองเท้าคู่ใหม่มาก็ดีใจเดี๋ยวเดียว เดี๋ยวเห็นคู่ใหม่ก็อยากจะได้คู่ความสุขที่ได้ก็หายไปเกิดความอยากใหม่ขึ้นมาก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาจนกว่าจะได้ถึงจะหายทุกข์ใจนันเราต้องพยายามส้อนใจอย่าไปอยากได้อะไรอย่าไปอยากมีอะไรเรามีความสุขที่ดีกว่าอยู่แล้วอยู่ในใจของเราอยู่ในการที่ไม่มีความอยากนี่ แต่เราไม่รู้เราต้องค้นหาความสุขนี้ให้เจอก็คือการนั่งสมาธินี่เองพองนั่งสมาธิแล้วเราก็จะได้เจอความสุขใจเวลาใจไม่มีความอยากเพียงแต่ว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวใจความอยากยังไม่ตายจากการนั่งสมาธิเพียงแต่ถูกกดไว้ชั่วคราวพอออกจากความสงบมาความอยากก็จะดันขึ้นมาใหม่ ก็จะสร้างความหุดหนิดสร้างความกังวลกวายใจขึ้นมาใหม่ถ้าเราฝืนไม่ทําตามความอยากได้ต่อไปความอยากก็จะอ่อนกําลังลงไปและหมดไปในที่สุดได้พอไม่มีความอยากแล้วที่นี้เราก็จะสบายอยู่ในสมาธิหรือไม่อยู่ในสมาธิก็เท่ากันคือมีความสงบมีความสบายเท่ากันดังนั้นขอให้เราเข้ามา หาความจริงตัวนี้ให้เจอหาความสุขที่แท้จริงให้เจอด้วยการศึกษาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนําเอาไปปฏิบัติปฏิบัติให้มากปฏิบัติมากเท่าไหร่ก็จะได้ผลมากเท่านั้นการฟังอย่างเดียวนี้ยังไม่พอที่จะทำให้เกิดผลขึ้นมาการฟังเป็นเหมือนกับการศึกษาแผนที่ยังไม่ได้ออกเดินทาง ยังไม่สามารถไปถึงจุดหมายปลายทางได้เมื่อรู้แผนที่แล้วรู้ทางแล้วก็ต้อง อ, ออกเดินทางกันพนะอออกเดินทางแล้วก็จะถึงจุดหมายปลายทางได้ในที่สุดฉะน้นทางที่พระเจ้าทรงสอนให้ไปก็คือทานทำทานรักษาศีลภาวนานั่งสมาธิแล้วก็จเจริญวิปัสสนาจเจริญปัญญา ให้เห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเพราะไม่เที่ยงเป็นของชั่วกราวเป็นของที่เราสั่งไม่ได้สั่งให้อยู่กับเราไปตลอดไม่ได้สั่งให้ความสุขกับเราไปตลอดไม่ได้ถ้ารู้ความจริงอย่างนี้ก็จะอยู่ความอยากพอไม่มีความอยากก็จะไม่มีความทุกข์จะมีแต่ความสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุด ก็มีเท่านี้แหละง่ายๆแต่ทำยากขอยพยายามทำกันดูอย <c oughs> ่วันนี้เราก็มาทำบางส่วนแล้วเรามาทำทานแล้วมานั่งสมาธิกันแล้วมาเจริญปัญญากันแล้วมารักษาศีลกันแล้วขอยนำมาไปทำต่อทำให้มากยิ่งขึ้นไปทำให้ได้ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับ แล้วต่อไปเราก็จะได้ผลอย่างเดียวกันกันกบที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรับผลไม่ต่างกันเพราะเหตุคือการกระทานี้ไม่ต่างกันผลคือความสงบความสุขก็จะไม่ต่างกันขอให้เรานำมาไปปฏิบัติถ้าใครอยากจะถามอะไรก็ถามได้ มีคำถามทางอินเทอร์เน็ตเรามี Facebook ติดตามคำสอนผ่านทาง Facebook ได้มีปัญหาก็เข้าไปเขียนข้อความถามได้แล้วจะมาถามในวันเสาร์วันอาทิตย์ครับต่อไปเป็นคำถามจากทาง a c e b o o k และอาจารย์สุชาติวิชาโตนะครับคำถามแรกจากคุณกะหนกศรีนะครับข้อที่หนึ่งจิตจะเป็นสมาธิอยู่ตลอดเวลา ได้หรือไม่ไม่ว่าลืมตาหรือหลับตาถ้ามีสติก็ได้ถ้าเผอสติก็จะไม่ได้เพราะสตินี้เป็นตัวที่จะทำให้ใจสงบมงับความคิดปุจตัยได้แต่ถ้าต้องการให้สงบอย่างถาวรโดยที่ไม่ต้องมาคอยควบคุมบังคับก็ต้องกําจัดความอยากด้วยปัญญา ถ้ากำจัดความอยากได้ด้วยปัญญาได้แล้วไม่มีความอย า, อยากอยู่ในใจแล้วใจก็จะสงบตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในสมาธิหรือไม่อยู่ในสมาธิลืมตาหรือไม่ลืมตาดอนหรือยืนหรือนั่งหรือนอนนี่จะไม่เป็นปัญหาอะไรทั้งนั้นข้อที่สองนะครับสมาธิที่จะไม่มีวันเสื่อมอีกเลยเป็นสมาธิในลักษณะอย่างไรและไม่เสื่อมอีกเพราะเหตุไร าสติเป็นมาหาสตินั่นเอง ส, สติเป็นเป็นสติที่มีอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับหรือไม่เช่นนั้นก็มีมาหาสติมาหาปัญญาปัญญาทางานตลอดเวลาคอยกําจัดตันหาความอยากที่จะมาทำลายความสงบได้ตลอดเวลาใจก็จะมีแต่ความสงบตลอดเวลา คำถามข้อต่อไปนะครับตอนที่หลวงปู่มั่นป่วยหนักและท่านเร่งให้เอาท่านไปสกลนครหลวงตาเล่าว่าหลวงปู่มั่นท่านลังไวระหว่างทางนั่งรถไปสกลนครหมอฉีดยานอนหลับให้ท่านก็หลับไปจนถึงวัดป่าสุชาวาดจังหวัดสกลนครหรือตอนที่หลวงตาป่วยและท่านพูดว่าถ้าท่านลังได้ท่านก็ลังถ้าท่านลังไม่ได้ท่านก็ปล่อย คำถามข้อที่หนึ่งคำว่าล้งไว้นั้นท่านหมายความว่าอย่างไรท่านทำอย่างไรอันนี้ต้องไปถามท่านดูไม่กล้าบังอาจที่จะไปตอบแทนท่านข้อที่สองและที่ท่านบอกว่าถ้าล้งไม่ได้ก็ปล่อยหมายความว่าอย่างไรก็เหมือนภรรยาจะจากคุณไป คุณล้งเขาไม่ได้เขาก็ต้องปล่อยถ้าไม่ปล่อยคุณก็จะทุกข์ข้อที่สามที่หลวงปู่มั่นท่านล้างไว้เพื่อให้ไปถึงสกลนครแต่หมอฉีดยานอนหลับไปให้ท่านนั้นเมื่อหลับไปแล้วท่านล้างไว้ได้อย่างไรแต่หลับแต่ร่างกายไงใจไม่หลับใจไม่ได้ถูกฉีดยาฉีดฉีดยาแต่ร่างกายร่างกายก็พักผ่อนไป แต่ใจก็ยังมีสติสัมปชัญญายังมีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาคนภาวนานี้บางทีร่างกายหลับแต่ใจไม่หลับเพราะมีสติตัวตื่นอยู่ตลอดเวลาตัวรู้อยู่ตลอดเวลาแเวลาท้าท์ขันจะไปตอนไหนนี่ท่านรู้หมดไม่ว่าตอนที่ท่านหลับหไม่หลับคนที่มีสติระดับนั้นแล้วจะรู้ตลอดเวลา ข้อที่สี่ตอนใกล้ตายถ้าหมอฉีดยานอนหลับให้คนก่อนตายจะรู้ตัวไหมเพราะอยู่ในฤทธิ์ยาสลบก็เนี่ยคำตอบคำที่สามเมื่อกี้ถ้ามีมะมีสติปัญญาระดับพระอริยะเจ้าแล้วท่านจะรู้ ต, ตัวตลอดเวลาไม่ว่าหลับหรือตื่นพอธาตุขันมีการเคลื่อนไหวปั๊บจะรู้ทันทีคำถามข้อต่อไปจากคุณกษรพัช ผมรักษาศีลแตดตั้งแต่เข้าพรรษาปีที่แล้วแต่ก็ยังติดอยู่ในคาราวาสอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่ากะทิงแดงหรือเอ5 0ร้อยห้าสามารถดื่มเป็นน้ำปานะได้ไหมในกรณีต้องขับรถตลอดคืนมันน้ำปานะนี่ท่านแปลว่าเป็นน้ำผลไม้น้ำผลไม้ที่ต้องมีขนาดไม่ใหญ่กว่ากำปั้นเช่นน้ำน้ำส้มน้ำองุ่นน้ำแอปเปิ้ล ตัวนี้ถือว่าเป็นน้นําปานะอต่ท่าน้ําผลไม้ผลไมที่ใหญ่กว่าเช่นสับประรดมะพร้าวอย่างนี้ท่านไม่ถือว่าเป็นน้นําปานะฉันไม่ได้แล้วน้นําปานะที่คั้นมานี้ต้องกรองด้วยผ้าเพื่อไม่ให้มีกากมีเนื้อติดไว้ให้มีแต่น้ํำล้วนๆบางครั้งท่านต้องกรองถึงเจ็ดครั้งด้วยกันเพื่อที่จะไม่ให้มีเนื้อของผลไม้ติด ไปในน้ําเพื่อจะได้ไม่ได้เป็นการรับประทานบริโภคอาหารเป็นการดื่มน้ําปานะส่วนเครื่องดื่มชนิดต่างๆนี้ท่านก็สงเคราะห์ไว้ในแผนกยาเช่นกาแฟชานี่เป็นเหมือนยาสมุนไพรชาวบ้านดื่มรับประทานเหมือนกับเป็นยาพระก็อนุโลมดื่มตามได้ คำถามข้อต่อไปจากปุณธนวันนะครับอยากเรียนถามว่าการใส่บาตรกับการไปถวายเพนที่วัดมีอา น, นิสงส์งเท่ากันหรือไม่ประโยชน์มีต่างกันคือประโยชน์ทู้ให้เท่ากันผู้ให้ก็ได้บุญเท่ากันคือได้การเสียสละจากระแบ่งปันแต่ผู้รับนี้มีประโยชน์ต่างกัน ผู้ยับอาหารบินบานนี้จะได้ปฏิบัติตามข้อวัดของที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติก็คือให้บินดบานเลี้ยงชีพแต่ผู้ที่รับอาหารเพนนี้จะอยู่ที่กุฏิรอให้ญาติโยมนำอาหารข้าวหวานมาประเคนมาถวายที่กุฏิผู้รับก็จะไม่ได้รับประโยชน์เพราะจะไม่ได้บินดบานเลี้ยงชีพก็จะไม่ได้เสริมความเพียร แล้วก็จะเสริมความเกียดค้านเพราะว่าไม่ต้องไปเดินบินธบัติแล้วก็ไม่ต้องตื่นเช้าอยากจะตื่นสายก็ตื่นได้แต่ผู้ที่ต้องออกบินธบาตนี้จะต้องตื่ น, นเช้าแล้วต้องเดินโดยเฉพาะพระป่านี้จะเดินไกลเพราะาที่อยู่จะอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านบางที่อาจจะเดินถึงชั่วโมงสองชั่วโมงด้วยกันทั้งขาไปและขากลับ ก็จะเป็นการเสริมความเพียรเพราะการเดินบินาบัดไปนี้ของพระจะเป็นการเดินแบบเดินจงกรมไปเวลาเดินจะไม่ได้เดินแบบควบเดินแบบควงกันไปจะเดินตามหลังกันไปต่างคนต่างเดินเป็นแถวขณะที่เดินก็จะให้เจริญสติเจริญปัญญาเจริญสมาธิไป เป็นการทำความเพียนไปในตัวในระหว่างที่ไปบินาบาบเนี่องชีพไปโปรดสัตว์ดังนั้นพระป่าจึงไม่นิยมฉันเพลงนและไม่ยมอมรับอาหารที่นำาอามาถวายในวัดพระป่าจะถือหลักที่พู้เจ้าทรงสอนที่ทรงเน้นย้ำไว้อยู่ถึงสามสามแห่งด้วยกันในที่ได้มีจารึกไว้ในพระไตรปิฎกก็คือในอนุ ในอนุสาสร์คือคำสอนที่ให้พระอุปัชฌายะผู้บวชผู้บวชพระใหม่นี้ให้สอนทันทีหลังจากที่ออกจากบวชคืออนุสาสร์คือกิจวัตรที่พระพึงทาอยู่สี่ประการหนึ่งในสี่นั่นก็คือการบิณฑบาตเลี้ยงชีพสองการอยู่ตามโคนไม้อยู่อยู่ตามป่าตามเขาสการใช้ผ้าบางสกุลคือผ้าที่เขาทิ้งแล้ว เศษผ้าแต่ให้ไปเก็บผ้าเหล่านั้นมาสะสมแล้วก็มาตัดมาเย็บมาม า, มาตัดเป็นผ้าจีวรและการฉันยาดองน้ํามูดคือฉันยาดองน้ําด้วยน้ําปัสสาวะเพราะว่าสมัยก่อนนี้ไม่มีอยู่ไม่มียาก็ใช้วิธีรักษาแบบชาวบ้านชาวบ้านคือท่งสอนให้พระอยู่แบบเรียบง่ายอยู่แบบไม่ไม่รู้หราไม่ ไม่พุ่มเฟือยนี่คือหลักการของการอยู่แบบพระหนึ่งในข้อ4ข้อนี้ก็คือให้ออกบินทบาทเลี้ยงชีพถ้าจะไม่ออกบินทบาทก็วัออนนั้นก็ให้อดอาหารไปนอกจากว่าเจ็บไข้ได้ป่วยจริงๆเท่านั้นถึงจะอาศัยอาหารที่พระรูปอื่นไปบินทบาทเอามาแบ่งปันให้ อีกที่หนึ่งที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้ก็คือในทุดงควัตทุดงควัตก็คือข้อปฏิบัติพิเศษเรียกว่าเสียงพิเศษคือไม่ได้บังคับแต่แนะนําว่าควรจะปฏิบัติเพราะจะช่วยเสริมความเพียรช่วยทําให้การปฏิบัตินี้ก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็วนั่นก็คือการบินทบาดเป็นวัดการถือการบินทบาทเป็นวัดและอีกข้อหนึ่งก็คือการไม่รับอาหาร ที่มาจากหลังจากกลับมาจากบินทบาทเช่นที่วัดป่าบ้านตา น, นี้ในช่วงเข้าพรรษาจะไม่รับอาหารที่มาถวายที่ศาราหลังจากกลับเข้ามาถึงวัดแล้วจะไม่รับอาหารใครอยากจะถวายอาหารก็เลยต้องไปรอที่ประตูวัดกันก็เลยเข้าคิวเข้าแถวกันยาวเป็นกิโลเพื่อที่จะรอใส่บานเพราะว่าพระป่านี่ท่านถือทุโธงขวัตข้อนี้กัน แล้วอีกข้อหนึ่งที่พระเจ้าได้ทรงแสดงไว้ก็คืออยู่ในพุทธกิจ5คือหนึ่งในกิจที่พระพุทธเจ้าทรงบาเพ็ญหประการในต่าละาั น, นี้ก็คือการออกบินทบาทโปรดสัต์นี่เองนี่คือความสำคัญของการบินทบาทของการใส่บาตรถ้าญาติโยมไม่ใส่บาตรญาติโยมเอาอาหารข้าวหวานมาเลี้ยงพระตอนเพลง พระเท่ากับญาติโยมไม่สนับสนุนเรื่องของการบิณฑบาตของพระไม่สนับสนุนการบำเพ็ญความเพียรของพระไม่สนับสนุนให้พระปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้านี่คือความแตกต่างระหว่างการอไปถวายอาหารเพลยกับการใส่บาตรมีคําถามไหมไม่มีแล้วครับพระอาจารย์ครับอ่า ต่อนเนื่องมาจากเมื่อวานครับรอาจารยา์ระดับบารมีของพระโพธิสัตว์เนี่ยวัดด้วยปัญญาพระครับอาจารย์คือบารมีมันมีอยู่สิประการไงบา ร, บารมีที่สําคัญที่สุดก็คือปัญญาบารมีเป็นเหมือนกับว่าเป็นหัวหอกเป็นปลายหอกแต่ส่วนอยังส่วนอื่นเป็นองค์ประกอบเป็นด้ามเป็นอะไรไปนี่บารปัญญาบารมีนี่แหละเป็นเป็นองค์สุดท้ายที่พระเจ้าได้ ได้บำเพ็ญได้เจริญในขณะที่ปฏิบัติอยู่ใต้โคนต้นโพนั่นหละนั่นแหละเป็นเวลาที่พระเจ้าทรงบำเพ็ญปัญญาบารมีขั้นสุดท้ายทรงตั้งสัจจะอธิษฐานไว้เลยว่าจะนั่งภาวนาอยู่ตรงนี้ไปจนกว่าจะตัดสรูจนกว่าจะเห็นธรรมที่ทรงปานาที่จะเห็นคือธรรมที่จะทาให้พระองค์นั้นได้หลุดพ้นจาก ความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนั่นก็คือการได้เห็นอริยสัจสี่นีอ่อริยสัจสี่นี่คือสุดยอดของปัญญาผู้ใดเห็นอริยอริยสัจสี่เห็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแล้วสามารถปฏิบัติตามความเป็นจริงได้ตามหน้าที่ของของอริยสัจสีได้ก็จะหลุดพ้น จากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ได้กิจในอริยาาสัจสี่นี้ก็มีอยู่4ประการกิจข้อที่1ก็คือทุกต้องกําหนดรู้ก็คือต้องศึกษาให้รู้ว่าท่องแท้ว่าทุกมาจากที่ไหน 2. ให้ละต้นเหตุของความทุกขต้นเหตุของความทุกข์ก็คือความอยากทั้ง3ามประการกามตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหา นิโรธคือความดับทุกนี้ต้องทําให้แจ้งทําให้ปรากฏขึ้นมาวิธีที่จะทําให้นิโรธปรากฏให้แจ้งขึ้นมาก็ต้องเจริญมรรคมรรต้องเจริญให้มากเจริญให้สมบูรณ์มรรคก็คือทานศีลภาวนานี่เองระเจ้าได้เจริญทานแล้วเจริญศีลแล้วเจริญปัญญาขั้นสมถะแล้วแต่ยังขาดขั้นวิปัสสนาภาวนาพอทรงปฏิบัติ ทรงพิจารณาเห็นความจริงว่าความทุกข์เกิดจากความอยากความอยากเกิดจากความหลงที่ไม่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้ไม่อยู่ไม่เป็นปลายาความอยากแต่เห็นว่าไม่ไม่มีอะไรที่จะเป็นปลายทางความอยากก็จะได้หยุดความอยากได้เช่นหยุดเช่นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายถ้ารู้ว่ายังไงยังไงก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย หยุดยับยับย้งความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้ก็ไม่ไปอยากพอไม่อยากก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายนี่คือกิจในอริยสัจสีที่พระพุทธเจ้าทรงได้ปฏิบัติทรงได้ค้นพบด้วยพระ อ, องค์เองทรงรู้ว่าทุกนี้ทุกที่จะต้องกําหนดรู้ต้องศึกษานี้ได้ศึกษาแล้วสมุทัยที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์นี้ที่ต้องละนี้ได้ละแล้ว นิโรธคือการดับทุกที่ต้องทำให้แจ้งก็ได้ทำให้แจ้งแล้วมักที่เป็นเครื่องมือในการละตัหาความอยากที่จะทำให้นิโรจแจ้งนี้ก็ได้จริญอย่างสมบูรณ์แล้วเป็นกิจที่ไม่มีใครรู้มาก่อนเป็นความรู้ที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบด้วยพระ อ, องค์เองจากการนั่งภาวนาอยู่ใต้โคนต้นโพในคืนวันเพ็ญเดือนหกนี่เอง นี่คือปัญญาบารมีขั้นสุดท้ายที่ทําให้พร ะ, พระโพธิสัตว์ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ัสมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาหรือเป็นพระประเจกะพระพุทธเจ้าขึ้นมาพระประเจกะกับพระอรหันต์ัสมาสัมพุทธเจ้านี้มีความสิ้นทุกข์เหมือนกันมีความบริสุทธิ์ของจิตใจเหมือนกันต่างตรงที่ว่าพระประเจกกะพุทธเจ้านี้จะไม่ แสดงธรรมที่ได้ทรงรู้ให้แก่ผู้อื่นแต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี้จะนำธรรมที่ได้ทรงตัดสัรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นต่อไป mm. เหตุที่ทําไมไม่สั่งสอนนี้ก็ mm. อาจจะอยู่ที่สภาวะของโลกก็ได้ว่าโลกอยู่ในสภาวะที่พร้อมที่จะรับคําสอนนี้หรือไม่ถ้าโลกอยู่ภายใต้ อำนาจของโมหะอาวิชชาจนกระทั่งแสงสว่างแห่งธรรมไม่สามารถที่จะทะลุไปได้ทะลุส่องเข้าไปถึงวัวใจของศาสตร์โลกได้ท่านก็จะไม่สั่งสอนอย่างพระพุทธเจ้าตอนต้นก็จะเป็นพระประเจกับพุทธเจ้าหลังจากที่ทงรงตัดสัรู้ใหม่ๆทรงมีความท้อผะทายว่าสิ่งที่ทรงรู้ทรงเห็นและทรงปฏิบัตินี้ มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปจะสามารถนําเอาไปปฏิบัติได้จึงเกิดความท้อพระไทยขึ้นมาแต่ไม่นานหลังจากนั้นก็มีพระมหาพรมได้มาอาราธนาขอให้ได้โปรดสัตว์โลกให้ทรงพิจารณาแยกแยะว่าสัตว์โลกนี้ก็ไม่เหมือนกันทุกคนสัตว์โลกนี้มีทั้งผู้ที่ฉลาดและผู้ที่ไม่ฉลาดผู้ที่มีบารมีพอที่จะรับ คำสอนได้ก็มีผู้ที่ไม่มีบา ร, รมีที่จะรับคําสอนได้ก็มีหลังจากที่ได้ทรงพิจารณาแยกแยะ ก, ก็ท่งเห็นว่าสัตว์โลกนี้แบ่งได้เป็นสี่กลุ่มด้วยกันเป็นเหมือนบัวสี่หล่าบัวที่เหนือน้ําแล้วพร้อมที่จะบานนี้ก็มีอยู่พอได้รับแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ก็จะบานขึ้นมาพวกนี้ก็เป็นเหมือนพวกที่มีบา ร, รมีพร้อมเพียง มีศีลมีสมาธิแล้วขาดแต่ปัญญาเท่านั้นพอได้รับแสงสว่างแห่งปัญญาได้ยินได้ทำฟังคําสอนของพ่อพุทธเจ้าก็จะสามารถบรรลุได้เลยนี่คือพวกนักบวชทั้งหลายที่ได้บวชมานานได้มีศีลมีสมาธิแล้วแต่ไม่มีปัญญาถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ก็จะได้แค่ขั้นฌานสมาบัติเท่านั้น อายไปก็ยังต้องกลับมาเวียนไายตายเกิดใหม่แต่ถ้ามีพระพุทธเจ้ามาทรงสั่งสอนเรื่องของพระอริยสัจส์่ถ้าเขาได้ยินได้ฟังแล้วเขาจะสามารถปฏิบัติตามได้เลยอย่างครั้งแรกที่ทรงไปโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้งห้าท่านก็มีศีมีสมาธิแล้วพอแสดงอริยสัจสี่แสดงมรรคแปดให้ฟังหนึ่งในพระ พระปัญจวัคคีย์ก็บรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมามีดวงตาเห็นธรรมเห็นทุกข์สมุทัยนิโรธมากที่เกิดจากการไปยึดติดกับร่างกายนี้เองท่านก็สามารถปล่อยวางร่างกายได้เห็นว่าร่างกายเมื่อมีการเกิดแล้วก็ต้องมีการตายเป็นธรรมดาถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องปล่อยวางร่างกายก็จะไม่ทุกข์ดับทุกข์ได้นี่คือ บุคคลท่านแรกบัวบั ว, บ, วบัวที่พร้อมที่จะบานเมื่อได้สัมผัสกับแสงอาทิตย์จิตใจของผู้ที่มีศีลมีสมาธิแล้วพร้อมที่จะบรรลุได้หลังจากที่ได้ยินได้ฟังธรรมพวกที่สองก็เป็นบัวปริ่มน้ำคือพวกที่มีศีลแต่ยังไม่มีสมาธิตรงนี้ต้องฝึกสมาธิให้ได้ก่อนพอได้สมาธิก็จะโผล่เหนือน้าขึ้นมา เราก็จะสัมผัสกับแสงสว่างของดวงอาทิตย์ล้วก็จะบานได้ในวันต่อไปพวกที่สามก็คือพวกที่ยังไม่ได้เป็นนักบวชอย่างคารวาดญาติโยมที่มีศรัทธาความเชื่อในการทำบุญทำทานรักษาศีลได้ก็เพียงศีลห้าแต่ยังไม่สามารถออกบวชรักษาศีลแปได้รักษาศีลส0บรักษาศีล227ได้ยังคุกคีอยู่กับการ สวงหาความสุขทางตาหูจะมุกเล่นกายอยู่ตรงนี้ก็ต้องรอพัฒนาขึ้นไปให้ออกบวชให้ได้ก่อนบวชแล้วก็นั่งสมาธิให้ได้ฌานก่อนพอได้ฌานแล้วพอศึกษาพรอทำคําสอนศึกษาอาริยสัจสีก็จะบรรลุมรรคผลในพานได้ตามลําดับต่อไปนี่คือพวกสามเหล่าที่ยังมีโอกาสที่จะรับคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ ส่วนพวกสุดท้ายนี้คือเป็นพวกที่ไม่เชื่อบุญเชื่อบาปไม่เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าคิดว่าเป็นคำสอนที่งม ง, งายหลอกคนให้เชื่อโดยที่ไม่มีเหตุมีผลไม่เห็นนรกไม่เห็นสวรรค์ไม่เชื่อว่ามีนรกไม่เชื่อว่ามีสวรรค์ไม่เชื่อว่าตายแล้วยังต้องไปเวียนว่ายตายเกิดใหม่ไม่เชื่อว่าความทุกข์นี้เกิดจากความอยากของตนเอง พวกนี้สอนไปก็ป่วยกันพวกนี้เขายังมัวเมาอยู่กับการหาความสุขจากอบายมุกต่างๆจากการทำบาป ท, ทำกรรมตรงนี้ก็ต้องอชักสะพานคือไม่ไปสอนให้เสียเวลาพวกนี้ท่านก็เปรียบเหมือนกับบัวที่อยู่กับโคลนตมที่จะกลายเป็นอาหารของปูของปลาไปไม่มีโอกาสที่จะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำได้หลังจากที่ได้พิจารณาเห็นว่า มีบุคคลที่สามารถรับคําสอนของพระ อ, องค์ได้พระ อ, องค์โดยตัดสินพระทยัยออกสั่งสอนก็เลยได้สละเวลาทั้งหมดที่เหลืออยู่45ปีให้กับการสั่งสอนก็เลยได้สละเวลาทั้งหมดที่เหลืออยู่45ปีให้กับการสั่งสอนอดลมสัตว์โลกพุทธกิจ5นี้ก็มีอยู่4กิจ ด, ด้วยกันเกี่ยวกับการสั่งสอนตอนค่ำตอนบ่ายก็สั่งสอนคราวาสญาติโยมตอนค่าก็สั่งสอนภิกษุสมมามเณร ตอนเด็กก็สั่งสอนเทวดาตอนเช้าเมืดก่อนจะออกบินตาบาก็ทรงรายงานดูว่าจะไปสั่งสอนใครเป็นกรณีพิเศษในวันนั้นผู้ที่พร้อมที่จะรับคําสอนนี่คือกิจของพระพุทธเจ้าไม่มีกิจอย่างอื่นมีแต่สั่งสอนเผยแผ่ธรรมะเพียงอย่างเดียวมีอะไรจะถามอยากทราบว่า พระอรหันต์กับพระโพธิสัตว์แตกต่างพระโพธิสัตว์ก็เป็นคนที่ยังมีกิเลสตัณหาอยู่เต็งแต่มีความปรารถนาที่อยากจะเป็นพระอาหารหันต์ถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเด็กที่อยากจะสอบเอนทรานซเข้ามาหาหลัยแต่ยังไม่ได้จบปริญญายังไม่ได้เข้ามาหาหลัยยังต้องสร้างบา ร, รมีสิทธิประการด้วยกันคือทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเนี่ยกรรมบารมี อุเบกขาบารมีปัญญาบารมีเมตตาบารมีอธิษฐานบารมีสัจจะบารมีขันติบารมีและวิริยะบารมีเช่นพระพุทธเจ้าได้ทรงสร้างขึ้นมาในแต่ละภ พ, พแต่ละชาติตอนที่เป็นพระเวชสันดรก็เน้นที่ทานบารมีตอนที่เป็นพระมาหาชนกก็เน้นเรื่องวิริยะบารมีไปศึกษา เขาเรียกอะไร พ, พระเจ้าสิบชาติเนี่ยก็คือสิบบารมีของพระพุทธเจ้านี่เอจนกว่าจะได้มาเกิดเป็นเจ้าชายสศทธฐาณ์านี้ส่งบําเพ็ญบารมีมาเกือบทั้งหมดมัแสดงว่าการลงมาในแต่ละชาติเนี่ยอจะมาเน้นที่บารมีเป็นตัวโตวไปหรือครับอาจารย์หรือว่าจะก็แล้วแต่เหตุการณ์มันคงยังไม่ได้เน้นโดยจำเพาะ เหตุการณ์บางทีมันทําให้เราต้องสร้างบารมีแบบนั้นเช่นเป็นเป็นหมาเศรษฐีก็ต้องก็ต้องทานบารมีใช่ไหมถ้าไปตกทุกได้ยากลอยคอกลางทะเลมันก็ต้องเรียนรู้บารมีถ้าไม่อยากจะจมน้ำตายดังนั้นบางทีมันก็ต้องอยู่ที่เหตุการณ์บังคับวันนี้มีน้องมาจากที่ต่างโลกค่ะ ท่านเป็นหมอท่านเป็นพยาบาลอยากให้วันเจอคนไข้เป็นจบร้อยคนนะคะอยากให้วาจารแนะนำธรรมะในการปฏิบัติทำประการธรรมแล้วทํางานเพื่อให้มีความสุขก็พิจารณาร่างกายว่าทุกคนเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้ไม่ต้องไปทุกข์กับเขาแต่ทําให้ดีที่สุดทําตามความรู้ตามความสามารถของเราก็ทํานั้นเอง เราไม่ใช่เทวดาที่จะสามารถที่จะยับยั้งความแก่ความเจ็บความตายได้เราเพียงแต่อาจจะปะวิงเวลาให้มันช้าลงไปเท่านั้นแต่ในที่สุดแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายไปในด้วยกันทุกคนถ้าเราไปเครียดไปทุกข์กับเวลากับคนไข้ที่เราไม่สามารถรักษาได้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรจะสร้างความทุกข์ให้กับเราไปเปล่าๆให้เราคิดว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตน จะทำกรรมันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นบางคนก็ต้องตายเร็วบางคนก็ต้องตายช้าบางคนก็ต้องเป็นโรคยืดเยื้อทรมานบางคนก็ไม่เป็นโรครักษาปั๊ก็หายเลยอันนี้ก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามเรื่องของบุญของบาปของเขาหน้าที่ของเราก็คือต้องเจริญอุเบกขาบารมีให้มากๆทำใจปล่อยวางแต่ไม่ได้ปล่อยหน้าที่ หมายถึงปล่อยอารมณ์อย่าไปทุกข์กับเขาถ้ารักษาเขาไม่ได้ mm hmm. ก็คิดเส่าว่าเป็นเป็นบุญเป็นกรรมของเขาไปถ้าเราทําเต็มที่แล้วทําตามหน้าที่ของเราแล้วทําตามความสามารถของเราแล้วผลได้เท่าไหร่เราก็ต้องยอมรับผลนั้นไป mm hmm. เอาหนะ้าคิดว่าสมควรแก่เวลาขอให้ท่านเอานําสิ่งที่ท่านได้ยิน mm hmm. ได้ฟังในวันนี้ ไปศึกษาไปพิจิพิจารณาและไปปฏิบัติต่อเพื่อความเจริญก้าวหน้าดุงเรืองในธรรมยิ่ ง, งขึ้นไปเธ อ, อ น, นี ย, อย่าง